แล้วค่อยแต่งหนังสือพร้อมกับทรงรูปนี้ประกาศไปถึงที่เมืองทั้งปวงว่าถ้าผู้ใดเห็นใครนางรูปนี้ให้จับตัวส่งมาจะปูนบำเหน็จให้เป็นอันมากบรรดาหัวมืองทั้งปวงคือเจ้าเมืองทั้งหลายทั้งปวงจะหนทีทั้งหลายทั้งสิ้นแหละเอาได้รับประกาศนี้แล้ว พอไปเห็นใครมีรูปร่างเหมือนดังที่ประกาศดังหมายประกาศเนี่ยเอา้าก็จับตัวส่งเข้ามาให้แ่โจโถเมียงละเก่าคนสิบค น, คนตายเนืองกันมันหลายเยมืองหนึ่คนลักษณะโจจืเนี่ยถูกจับส่งเข้ามาถึงส0 0รอยเศษมีคนรูปร่างเหมือนกันถึงสามร้อกว่าคนโจโฉ เห็นคนทั้งหลายเหล่ามีทั้งสามรอยเนี่ยเหมือนโจดถู่ทั้งนี้ทางนั้นเลยอ่ะโจโฉก็ไม่มีจะทําอย่างไรก็คุมหานออกมันให้ทหารคุมคนเหานี้มันนอกเมืองแล้วก็เอาคนทั้งสามรอยเนี่ยมัแล้วค่อยเอาโลหิตสุกรโลหิตสัตว์ต่างๆหนีเป็นวิธีแก้อาถังท่างเวยเอาสิ่งโสโครก เลือดซุกกรเลือสุนมากอะไรก็าตามเพ้ออามาศาสตร์รถคนเหล่านี้หวังคือคิดว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นด้วยเวทมนตร์คาาของโจตูวะก็เอาสิ่งโสโคมาละหวังแค่หมุนนั่นเสื่อมแล้วให้ฐานตัดศีรษะคนทั้งสามร้อยเงื่อนคือก็คิดว่าทั้งสามร้อยนี่จะต้องเป็นโจจูอยู่ในคนหนึ่งอย่างนั้นแหละคนทั้งทั้งนั้นเนี่ยคนทั้งสิ่งเหล่านี้ ต้องกล่าวว่าเป็นคนที่เกิดยากอิกทธิฤทธิ์ความวิเศษของโจถูทางนั้นแหละคือเมื่อถูกตัดศีรษะแล้วเนี่ยต่างก็นั่งอยู่แต่ตัวเปล่าหาศาีรษะมีดได้ถูกตัดหัวแล้วหัวก็ไม่มีแต่ก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละโลดอีกนั้นสิโลดอีกที่เกิดเด้งขึ้นปบนอากาศนะกลายเป็นคนขี่มกกเรียนประมาณสามร้อเศษ แล้วจะนกกระเรียนทั้งส0 0ร่ก็บินร่อนอยู่อย่างนั้นแหละเุ้คนที่ขีน่นกกระเรียนน่ก็ตกมีร้องเยะเยะ้งอออทีดโตถดังนั้นก็โกรธนโกรธโกรธมากเป็นธรรมดาคนที่มีอำนาจมากดีทนโกรธมากสาาราปใครถาเอาเปาทานันก็นโกดนยิงไปยิงไ ป, ไป ขณะมันก็บังเกิดลมพยุใหญ่พัด ม, มาักมาหอบเอาผงคลีฟฟิงตลบมืดหมัวมาทีเดียรูปคนที่ถูกฆ่าอยู่นั่นแหละคือที่กระเด็นที่ไปเป็นนกและเป็นคนขี่นกะเป็นแต่เลือดนะที่กระเด็นขึ้นไปอ่ะส่วนเรียกว่าศาสตร์ศพเที่ถูกฆ่าตั้งสาร้อยเนี่ยต่างรูขึ้นเดินเอาละสิแล้วก็ยี่หัวของตัวเองเนี่ยไม่บุ่นเข้ามาตีโจโถ ลมลูกคูพรานทีเดียวนี่คุณนม่ทางฝั่นก็ตกใจเอามือปิดตาร้องกรี๊ดกราบอี้งกันไปหมดจนลมพยุสงบลงซากศพทั้งส0 0ร้อนั้นก็หายไปแต่โต๋จู่ก็ยังเป็นอยู่คือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ไปจากเมืองเมียกอุนเฟแล้ว นนท่านนางท่าปวงเนี่ยก็ต้องช่วยกันพยุงโจโฉกลับมายังต ม, มักและโจโฉก็ปล่อยมาลงไปความนวบไฟนนทุนนางท่านปวมช่วยกันพยุงโจโฉกลับเอามากลับมาถึงตมหมักแล้วตอนนี้ต้องรีดตมักแล้วนะครับเพราะว่าท่านเป็น วีอ๋งองเป็นเจ้าโจโฉก็เป่อนหนักไปก็พอดีเข้าจีซึ่งเป็นโหนมาเยี่ยมแต่มือหูโตโจโฉก็ให้เข้ามาให้เข้ามาหาแล้วก็ถามว่าท่านจงช่วยดูเคราะห์เราจะดีหรือร้ายเขาจีก็จีว่า ท่านลิขิตกวนหลอหรือไม่นั่นกวนหลอนั่นเลยรู้ตำราดูธรรมานิยว่าข้าพเจ้าโจโถก็ถามว่าอวนหลอน่ะดียังไงอะ่ะข่าวจีก็ยิว่ว่ะคือตัว น, นี้เป็นการเล่าประวัติของอวนห ล, ละนะ่ะนะครับเข่าวจีนวกกวนหลอนั้นเป็นชาวเมืองเป็นงหนวนเมื่อเด็กอมักเสกสุราและเรียนดูเริก ใหญ่ขึ้นมาได้ตำราจิ้วกลงเขาไว้วรวนรอจิตธรมานดูเคราะหโศกป่วยไข่แม้ผู้ใดจะตายก็รู้ครั้งหนึ่งองค์จะเหมอนอันเป่งนันภรยาป่วยให้มีอาการตัวศีษะบุกนั่งไกวเจ็บในอกอยู่เป็นอัตราก็จึงให้เรียหาวรวนรอมาดู อือนลอเนี่ยได้พิเคราะห์ดูแล้วว่าที่อยู่ของท่านนี้มีศพชายอยู่สองศพศพนึ่งถือทวนอีกศพนึ่งถือเกาทังศพที่ถือทวนนั้นันังตึกท่านัทัพศีษะเขาอยู่นี่จิงพระเอิในภรรยาท่านะปวดศษีษะ อันบุของกัมซุ่ยป่วอยู่ในอกนั้นให้เจ็บในอกเป็นอัตราก็เพราะเหตุว่าศกที่ถือเกาทันอยู่ในล่องถุนคืออยู่ใต้ขุนน่ะมีศกนั่นอยู่ใต้ขุนก็เรียกว่าสาร้างบานสาร้างเรือนทับมาอเขาลูกทันที่เจ็บในอกนี่เขาทํามาอย่างนี้องคีก็รีผนังติขุดลงไปลึกประมาณสี่ศอกก็ได้ศก ขึ้นมาสองศพเหมือนคที่ควรรอทํำไมเป็นความจริงถศพมึงก็ขนังตึกทับทิศอยู่อีกศพมึงอยู่ใต้ถุนศพมึงถือตัวรอีกศพนึงถือเกาา่าพันจริงทีเดียวอะ่ะองกีค่ยเอาศพมันไปฝังไว้นะที่อันควรภรรยาที่ปวดทิศะมุดที่วัดเจ็บในอกก็หายป่วยหายเจ็บหญิงคนหนึ่ง โคหายก็ให้กวนรอดูกวนรอก็บอกว่าโคนั้นน่ะให้ผู้ร้ายเจ็บคนมันลักพาไปฝากข้างโน้นบัดนี้มันฆ่ากินแท้แล้วก็ยังเหลือแต่กระดูกกับหมันทิ้งไว้ที่ริมรั้วบ้านมันยิงเจาของโคนั่นก็หามฝากไปดูก็ได้เห็นหมันกับกระดูกโคทิ้งอยู่ก็เยี่ยมมากเข้าไปดู ถึไอ้ผู้ร้ายเจ็ดคนกำบันเอาเนื้อโคนะ่ะมาทำกับแกล้มเ่าอยู่จิงไปบอกแกเล่าปินเจ้าเมืองเพ่งง ว, วนกวนเล่าปินก็ไปจับไอ้ผู้ร้ายเจ็ดคนมาพิจารณาเป็นศัตร์แล้วก็จึงถามหญิงเจ้าของโควะ่ะเหตุใดตัวจริงรู้ว่าผู้ร้ายเหล่านี้รักโคของตัวไปหญิงนั้นก็บอกว่าวนรอ ดูให้ขบเจ้าขบาเจ้าจึงรู้เหล่าปินเจ้าเมืองเพ่งหมุนกวนก็จึงให้หาตัวกวนรอมาแล้วก็แกล่งเอาตราออกใสแจัดฮีบเอาขนไก่ใส่ไว้เ็นฮีบแล้วก็ยกออกมาให้ควนรอถ่ายว่ามีสิ่งใดอยู่ในฮีบกวนรอก็ทำไมว่ามีขนไก่แดงอยู่เท่านั้น มีขนไก่ดำอยู่เท่านั้นมีขนไก่ขาวอยู่เท่านั้นนี่บอกจํานวนด้วยเหล่าปีนเปิดหีดนั้นออกคือตนเอาขนไก่ใส่ไว้เองแต่ไม่ได้นับสิตอนใส่คิดว่าควรรอจะทายผิดนอกจากควรรอจะทายถุงแล้วยังทายจํานวนอีกด้วยเนี่ยเหล่าปีนก็ต้องเอาขนไก่หลามันออกมานับดูขนไก่แดงขนไก่ดําขนไก่ขาว ก็จริงเหมือนดังคำที่กวรรอทำไมเล่าปีนก็นับถือกวนรอได้ตั้งกวนรอไว้เป็นที่ปรึกษาครั้นอยู่มาวันกวนล้อเนี่ยไปเที่ยวเล่นเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มรูปงามไถน า, าอยู่กวนลอพิจารณาดูเด็กหนุ่มผู้นี้แล้วก็รู้ว่าเด็กหนุ่มคนเนี้ยจะต้องถึงแก่ความตาย ก็เข้าไปถามเด็กหนุ่มว่าตัวท่านชื่อใดเรามีใจเอ็นดูด้วยว่าตัวมีรูปน้ำแต่อายุน่ะจะสิ้นเสีแล้วยังอีกสามวันท่านก็จะตายเด็กหนุ่มเด็กฟังดังนั้นก็จิงบอกว่าชีวิตเตียงนั้นแล้วเด็กหนุ่มนั่นก็ถามกวนรอบ้างว่าแล้วตัวท่านละชื่อไรเหตุใดจึงรู้ว่า ไปเจ้านี้อีกสามวันจะตายอ่ะออกวนรอก็บอกว่าเราชื่อกวนรอแล้วก็บอกว่าสิ่งเรารู้นั้นก็เพราะเราเห็นขนไร้แซมขนคิ้วท่านขึ้นมาเราจริงบอกนี่กวนรอบอกอย่างนี้เตีออยหงานก็ตกใจรีบไปหาบีดาบอกเมียความตามคำที่กวนรอว่านีและบิีดาก็ตกใจก็พาบุตรกลับมาหากวนรออีก แล้วก็ถามว่าท่านผู้วิเศษจงช่วยบุตรข้าพเจ้าให้รอดตายด้วยเถอะ่วนหลอกก็ตอบว่าอันเราจะช่วยนั่ น, น, นไม่ได้เด็กกระหมดอายุเขาเป็นมาเองมีนาเตียงหังก็ร้องไห้อ้อนวอนว่าขา้าพเจ้ามีบุตรแต่คนเดียวนี้ก็คิดว่าจะได้ฝาผีบัดนี้จะมาถึงแก่ความตายซะก่อนและข้าพเจ้าจะเห็นหน้าผู้ไดสือไปแล้ว ผู้มีความรู้ขอท่านจงเอ็นดูข้าพเจ้าช่วยคิดอ่านแก้ไขให้สืบ อ, อายุเรี้ยงหนังบุตรข้าพเจ้าไว้จะได้แผนตัวสืบสกุลแผนข้าพเจ้าต่อไปได้วยเถิดวมื่อหลอได้ฟังแล้วก็ให้มีใจสงสารก็จริงว่าท่านแค่สืบ อ, อายุแล้วเนี่ยก็จงเอาสุราขวดหนึง่งกับเมือก้อนหนึง่งไปนักเขาลำำําสัง นาะทีนั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นนึ่มีสีลาใหญ่เป็นแท่นอยู่ใต้ต้นไม้นั้นแม่เห็นคนชาราสองคนใส่เสื้อขาวคนหนึงใส่เสื้อแดงคนนึงนั่งเล่นมากรุกอยู่บนแท่นศีลาต่อเวลาเที่ยงนะท่านจงเอาสุรากับเนื้อก่อนนั้นนะให้กินเมียชายชาราใส่เสื้อขาวเสื้อแดงทั้งสอง กินสูราและเนื้อก่อนมันของท่านแล้วเนี่ยก็จงอ้อนวอนขอให้ต่ออายุบุตรท่านสืบไปเถอะแม้คนชาราทั้งสองจะถามว่าผู้ใดบอกมาละโกท่านจะได้บอกชื่อเราเป็นอันขาดทีเดียวควรหล่อชี้แจงให้ชนิดบิดาของเตียยนั้นชายลึงผุดนิชะตาถึงขาดนะ่ ได้ฟังฉะนั้นก็ค่อยคลายใจก็เชิญกวนรอมาบ้านแล้วก็แต่งโต๊เริยนดูในเวลากลางคืนมันก็ชวนกวนรอนะ่ะให้อยู่นอนด้วยครั้นรุ่งเช้าเตีหนังก็สุราขวดนึ่เมือก่อนนี่นรีบเดินทางเดินทางไปยังเขาลำสังเดินทางไปประมาณ ห้าสิบเซนก็ถึงเขาลำสันและก็เห็นต้นไม้ใหญ่ใต้ร่มไม้นั้นเก๋งคนชาราสองคนนั่งเล่นมารุกันอยู่บนแท่นศิราคนนึงใส่เสื้อขาวคนนึงใส่เสื้อแดงนี่ก็ตรงตามที่ควรรอบอกกล่าวไว้เตี๋ยงนั้นชายหนุ่มผู้นั้นก็เอาศิรากับเนื้อก่อนนั้นเข้าไปํำมับแล้วก็ไม่ได้หวางประการใดครั้นถึงเวลาเที่ยง เตียวงั้นก็รีนสุราฉีกเนื้อนั้นวางเข้าไว้ชายชะลาทั้งสองเดิมมกรุเพลินอยู่ก็ชวนกันเสพสุราจนสิ่งก็กินเนื้อนะเสพสุราไปจนหมดเตียวงั้นเห็นดังนั้นก็อ้อนบอลขึ้นไปเดียวว่ะข้าพเจ้าจะขอสืบอายุต่อไปท่านทั้งสองจงมีใจเองดูข้าพเจ้าดีเธอดี ชายชาราคนตีดซายเสื้อแดงเด็กฝานี่นก็ตกใจก็จิงว่านี่กวนรลอคงจะบอกมาเป็นมั่นคงชายชาราทั้งสองนก็ปรึกษากันีเดียวว่ายังไรก็ตามเถอะเอานี่เราก็ได้กินของของเขาเข้าไปแล้วครั้งจะไม่ช่วยเขาก็ไม่สมควรนะ คนชาราส่งสายเสื้อขามันก็เห็นชอบดบวยก็เอาบัญชีคนบัญชีคนซึ่งอยู่ในมือเสือ้อออกมาดูก็เห็นชื่อเตียงหนังกำหนดตายเนี่ยอายุ19เกปีก็จงว่าอือายุของท่านก็ครบ19เกปีแล้วมียังอีกสองวันเท่านั้นซิก็จะตายอาอะเราจะช่วยแต้มตัวเก้า ใส่ลงแทนตัวสิให้สืบอายุไปอีก99ปีจึงจะตายนี่จาก19นะเติมตัวสินีกแต้มลงไปตัวนึ้งก็ให้เป็น9ก็เป็นเกคือ99ปีจึงจะตายเอาแล้วก็แต่มตัวเลขลงไป เ, เป็นตัวเก้าใส่ลงไปในบัญชี ล้วก็สั่งไปถึงกวน ร, รอทีเดียวว่า ก, การท้งนี้อย่าได้บอกแกผู้ใดสืบไปแล้วคนชาราทั้งสองนั้นก็กลายเป็นนกบินไปจัดแท่นศิลาเปียวหนังชายมุมรูปงามวัย19บผู้ชาตาถึงขาดได้บบรับการต่ออายุแล้วฉะนั้นก็มีความยินดีก็ขมับราดกลับมาบอกเมอความทั้งพวงแกกวนรอทุกประ ก, การ แล้วก็ถามกวนรอว่าคมชาราทั้งสองนันเป็นผู้ใดอ่ะกวนรอก็จึงบอกว่าคนใส่เสื้อแดงนั้นคือเทพ ย, ยดาฝ่ายใต้สําหรับถืีบัญชีคนทั้งปวงซึ่งเอากําเนิดเรียกว่าถือบัญชีคนเกิดคนเป็นส่วนคนใส่เสื้อขาวนั้นคือเทพ ย, ยดาฝ่ายเหนือสําหรับถือบัญชีคนทั้งปวงกําหนดอายุ หนดอายุคนที่จะถึงแกบความตายคือถือบัญชีคนตายท่านกวนรอบอกกล่าวเท่านั้นแล้วก็ห้ามทีเดียวลววะว่าบัดนี้ตัวท่านก็พ้นทุกแล้วอย่าถามต่อไปเลยแล้วกวนรอก็ลาบิดาเตียวนั้นกลับมาอยู่ที่อยู่แต่ขณะนั้นน่ะกวนรอเนี่ยก็กลัวความตาย นี่ได้รำเรียนความรู้ใดๆอีกต่อไปเลย นรอให้ทานวอ๋ อ, อคือโจโฉฟังจบลงก็บอกว่าแบบนี้กวนรอน่ะก็อยู่เนียงเพ่งงวนกวนท่านจงให้หามาดูก็จะประจัดเองหรเคราะห์ดีหละร้ายนี่คือโจโฉอืมเจ็บมากมาทีเดียวหลังจากโจิจู่กระทำเอาแล้วเนี่ย ก็วิตกวุ่นวายใจเหมือนคนทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปแหละและยิ่งวิตกวุ่นวายมากขึ้นไปอีกโดยทรัพย์สมบัติยศาบรรดาศักดิ์อกครมหาฐานตตานานาประการที่ตนมีอยู่เนี่ยจะต้องวิกตกเป็นทุกเป็นก้อนห่วงใยตตานานาประการมากอยู่นี่ก็จึงปรารถนาจะรู้เนี่ยจะดีจะร้ายจะเป็นจะตายยังไงบัดนี้เมื่อเขาจีทีแจ้งเรื่องราวของกวนรอให้ฟังจบรลยโจโฉก็ยินดี ก็จัดแจงให้คนไปยงังเมืองเพ่งมวลนกวนนีน่เนี้เป็นเมืองแรกที่เราปีมีโอกาสได้ไปอยู่เป็นเมืองเล็กเมืองหนึงน่งเท่านั้นเองแหละส่งคนไปติดตามหาตัวกวนรอมาทีเดียวปที่ไปติดตามตัวกวนรอได้มาแล้วก็ขาับมาหาโจโฉโจโฉค่คอพิเคราะห์ดูว่าตนเองเนี่จะดีจะร้ายจะหนักรืเบาประการใดอย่างไร รอหมอวิเศษพิจารณาดูแล้วก็จริงวาซึ่งท่านป่วยครั้งนี้ก็เป็นแต่เพียงแค่ว่าคนที่มีความรู้เขาขนองทำเลขกระเทศต่างๆเอาเท่านั้นอย่าวิตกเลยขาบาเจ้าเห็นว่าหาเป็นไรไหมมีกุลรอตอบอชนี้ก็จริงยสิก็โจ๋จ๋มากแกล้งทำเอา เท่านั้นเองแหละโจโฉดูฟันเนี่ยก็ห็นจริงนี่อาการป่วยนี่นก็คลายไปเรียกได้ ว, ว่าโจโฉป่วยทางใจใจเป็นอัมพาตได้อย่างแรงนั่นเองแหละเมื่อได้รับการคลี่คลายโดยผู้วิเศษชี้แจงแสดงเหตุฉนิโจโฉก็คลายใจหายวิตกอาการป่วยก็คลายไปก็ถามอีกว่าขอท่านจงดูสิ ว่าเมืองเนี่ยจะดีจะร้ายประการใดนี่นะให้ดูความเมืองเลยทีเดียวล่ะอุลรอผู้วิเศษก็ทำไมเป็นคำโครงถอดเป็นใจความว่าฝูงสุกรเที่ยวซ่อนอยู่ในป่าเสือคร่งตัวกล้าไล่กระจัดพรัดพรายนี่ ปรินาฝูนสุกรเที่ยวซ่อนอยู่ในป่าเสือคร่มตัวกล้าไล่กระจาดพระไายจะมีศึกณเขาเต็งกุนสันท่านจะเสียแขนข้างซ้ายข้างหนึง่งข้อนินคือฐานเอกและพี่มองของท่านจะตายก็ว่าได้มีกวน ร, รอทำไมอย่างนี้ใครร่ะ แถซสายใครระทานเอกใครระพี่น้องอะ่ะโจโฉก็จริงว่าการดูเนี่ยท่านชันมานนะเราจะขอตั้งธนเิเป็นโหนควรรอก็จริงว่าขาเจ้านี้ดู น, น้อยนะควรจะเที่ยวอยู่ในถ้ำทานและป่าเขากำราบได้ก็แต่ปีศาจและผีขโมวดปา จะให้มาอยู่เมียนหลวงบังคับผู้คนทั้งปวงนั้นไม่ได้ควรรอไม่รับโจโฉก็จึงว่าท่านจงดูชะตาเราสิว่าจะมีบุญขึ้นไปอีกหรือไม่นี่เป็นธรรมดาของผู้ผููทุกคนทั้งปวงอยู่ละที่ตนได้แล้วที่ตนเป็นแล้วที่ตนมีแล้วในสายตาผู้อื่นก็เห็นว่าสูงอยู่ใหญ่อยู่ยิ่งยุ่แต่ ตนผู้นั้นก็ยังปรารถนาที่จะสูงส่งยิ่งไปกว่านั้นอีกเป็นธรรมดาโจโฉนี่ก็เป็นด้วเช่นนี้ล้วก็อยากจะรู้ต่อไปอีกแหละควรรอเขาจริงว่าท่านก็มีบุญเป็นถึงพระเจ้า ว, วีอ๋องก็เสมอพระเจ้าเยนเ็นเปยอยู่ชะนี้แล้วจะให้ดูขึ้นไปอีกกว่านั้นก็สิ้นตำราแล้ว นี่ควรรอทำไมอย่างนี้คือไม่มีตําราที่จะดูจะทําไมแล้วโจโฉก็จริงว่าถ้าเนเจตมัน้นท่านจงดูขุนนางทั้งปวงซึ่งนั่งพร้อมกันอยู่ในที่นี้เห็นผู้ใดจะดีและร้ายบ้างควรรอก็ ร, รอแล้วก็จริงว่าอันขุนนางทั้งปวงนี้ล้วนแต่มีสติปัญญาควรเป็นข้าราชการอยู่สิ้นโจโฉก็จริงพูดอีกว่า ถ้านนั้นท่านจงพิเคราะหดูเมืองเสฉวนกับเมืองกลางต่งซิกว่าจะตั้งเป็นปกติอยู่หรือไหมควรรอก็พิเคราะหดูแล้วก็จีว่าเมืองกลางต่า ง, างนั้นจะเสียฐานเอกคนอันเล่าปีเจ้าเมืองเสฉวนนั้นก็จะยกกองทัพมาตีเมืองหันโป่งซึ่งถา้าเป็นปกตินั้นยังไม่ได้นี่ควรรอทำมาอย่างนี้เลยว่าเราปีต้องมาตี เมืองหันต ง, งหันต ง, ห, นตงหรือตังฉวนโจโฉตีได้แล้วเนี่ยวันรอทําไมวันรอปีจะมาตีเมืองเนี้ยก็ตีเมืองของโจโฉสิโจโฉก็ไม่เชื่อแต่ก็พอดีขณะนั้นมาใช้เมืองหักปา่าถือหนังสือเข้ามาบอกว่าโลศกทหารเอกเมีอกังตังได้ถึงแก่ความตายแล้วอันหนึ่งมาใชาย้ยถือหนังสือมาแต่เมืองหันตงบอก หาราชการมาถึงพระเจ้าวีอ๋องว่าเหล่าปีให้เตียววีมาเฉียวมาอยู่รักษาเมืองปาเสเห็นจะเข้ามาทําอันตรายด่านเมืองอันตงเป็นมั่นคงอยู่มีกวนรอทำมาเรื่องต่างๆเรื่องเสฉวนแล้วพอทำมาจบข่าวก็แจ้งเข้ามาพอดีอะอย่างเนี้ยต่างต่างนี่นโลซ็ ตายข่าวทั้งเสฉวนหรือฮันตงนั่นก็วันลอปีให้เตียววิมาเฉียวมาอยู่เมืองปาเสนี่ชายแดงเห็นถ้าจะเข้ามาทรอันตรายเมืองฮันตงนี่มันมันก็เรียกกันว่าใกล้ความจริงยิ่งกว่าใกล้ความจริงอีกอะโจโฉแจ้งเขาก็โกรธทีเดียวสั่งจัดแจงถามจะยกไปช่วยเมืองหันตงก็ไ้กวนล้อนอี่แหละหาเรื่องถึงจะยกกองทัพไป ควรรอดูแล้วก็จริงว่าซึ่งจะยกไปครั้งนี้ยังไม่ได้ด้วยจอนเข้าปีใหม่แล้วไม่มีหูุ้โ ต, โตนี่จะเกิดเพลิงใหญ่หลวงนะเอาสิโจประกวรรอทำไมอย่างนี้ไฟจะไม่เมืองหนหลวงนี่โจโถได้ฟังก็สั่งให้งดกองทัพไว้ก่อนจัดแจงฐานห้ามือให้โจหองยกไปช่วยแฮว์เอียนกับเปียวครับ รักษามเมืองันตงให้มั่นคงให้แฮววหัวตุ้นคุมฐานสามมิเป็นกองรับใช้ไปบอกข่าวราชการใน่มีหูโตยังให้ขาดคือตอนนี้โจโว ย, ยยังอยู่ที่เมืองเนี่ยถุงนะครับแล้วแค่อองปิดเป็นผู้บังคับบัญชาทหารในเมืองฮูโต้ขณะนั้นสูมาอี้ซมาอีนายบัญชี ซูมาอีนี่ตำแหน่งตอนนี้เพียงแค่นายบัญชีเท่านั้นแล้วก็เป็นนายบัญชีทหารเลวด้วย ส, สุมาอี้นายบัญชีได้ทูนพระเจ้าจวี อ, องค์คือโจโฉเนี่ยสุมาอีทุนโจโฉขึ้นมาซึ่งแค่องปิดบังคับบัญชาทหารในเมืองหูโตนั้นไม่ได้ด้วยว่าองปิดน่นมักเสพสุราอยากชาดุดังู่มีสุมาอี้ว่าอย่างนี้นะรู้สึกว่าจะ พูความใหญ่ทีเดียวล่ะโจโฉได้ฟังก็ปอบว่าองติดเนี่ยเป็นเพื่อนยาติดตามเรามาแต่ก่อนน้ำใจก็สาบซื่นนะควรจะให้ไปบังคับนายฐานในมีหฮุยโตได้นี่โจโฉตัดความไป่างนี้เอาความเป็นเพื่อนเก่าสหายเดิมแบบไม่ฟังคำของซูมาอีอ่ะนายฐานทั้งสามมัน ก็ยกไปกระทาตามที่โจโฉสั่งทุกประการนะและองค์ปิดนั้นครั้งมาถึงเวืองหูโตอ่ก็ตัางจวนอยู่ข้างทิศตะวันออกขณะนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าเฮิเนเตะมาอยู่เมืองหูโตได้23าปีแล้วมีก็ต้องเรียกโดยว่าโจโฉเด ทาราชบัณรังองค์จักรพรรดิเฮียนเตะให้อยู่ดีมีสุขมา23ปีแล้วรงกับปีพุทธศักราช861ครั้นถึงเดือนสเข้าปีใหม่เก๋งจีสืบแต่ก่อนเป็นขุนมีนอยู่ในบังคับบัญชาโจโฉและเก่งจีได้เลื่อนเป็นที่ขุนนางในธรรมเนียบที่ขุนนางของพระเจ้าเฮียนเ ต, ตนะน่ะ มีใจสามิภระต่อพระเจดียนเตะเก๋งจีนีมีเพื่อนรักคนหนึ่งเป็นคุณนางชื่ออวีหลงเก๋งจีได้เชิญอวีหลงมาปรึกษากันนัเถียงสงัดว่าโจโฉนะ่ะทำการหยับช้าเป็นศัตรูราชสมบัติบัดนี้โจโฉก็ตั้นตัวเป็นเจ้าวีอ๋องนานไปมันก็จะชิงเอาราชสมบัติขององค์จักรพรรดิเฮีนเตะเป็นมั่นคง เราคิดให้แผ่นดินเป็นสุขสนองคุณพระเจ้าหินเตท่านเห็นประการใดกึงจะกําจัดโจโฉเสียได้มีหลงก็จริงว่าเรามีพื่อนอคนหนึ่งชื่อกินหันก็เป็นเชื่ออุป ร, ราคมาแต่ก่อนกินหันก็ได้ออกปากไว้แต่เราว่าโจโฉนั้นทําการหยาบช้ากินหันนะ่ะคิดจะกําจัดโจโฉเสียแต่ยังหาได้ทีไม่ กินหันนั้นเป็นเพื่อนรักอยนกับองปิดึ่งโจโฉบาดมี้แต่งตั้งองปิดให้มามังคับบัญชาทหารในมินหลวงเราจะว่ากล่าวกับกินหันให้ไปชักชวนเปี๊ยกกล่อมองปิดแม่องปิดโปร่งใจด้วยการก็จะสำเร็จโดยง่ายเกรงจีก็จเชว่ากิมหันนั้นเป็นเพื่อนรักกับองปิดเห็นว่ากิมหันนี่จะไม่เป็นใจว่ากล่าวหรอก ประการหนึ่งองปิก็เป็นฐานเอกของโจโฉนี่เกงจีว่าอย่างนี้มีหลวงว่าจีว่ า, เ, าเราเราจะพากันไปพูดจาดูท่วงทีกิมหันก่อนก็แล้วกันว่าแล้วก็พากันไปยังบ้านของกิมหันกินหันก็ออกมาปอนตอนรับเก่งจีอีหลงขึ้นไปนั่งบนตึกอันเป็นที่สงัดถอยทีถอยข ม, มับแกกันแล้วมีหลวงเนี่ยก็แกล้งแต่งกลอุบายพูดว่า เรามาหาท่านเนี่เพราะมีความประสงค์จะไขว่าเ น, นื้อความชักขอดแต่เกรงว่าท่านจะไม่เอ็นดูกิมหันก็พูดว่าอืมท่านจะว่าไปเถอะมีรูปประการใดมีหลวงก็พูดว่าเรากับพท่าก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่ตัวท่านเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกับอองปิดบัดเนี้ยเราเห็นว่าพระเจ้าวี อ, อง ที่โจโะจะได้ครองราชสมบัติแทนพร ะ, ะเจ้าเหยนเตยอยู่แล้วและองปิดน่ะเป็นข้าหลุงเดินก็จะเสนอความชอบตั้งแต่งท่านเป็นคุณนางผู้ใหญ่ตัวเราจึงมาหาท่านหวังให้ท่านเนี่ยช่วยทนุบำรุงเราด้วยนี่มีญญงทําเป็นผู้อย่างนี้นี่คือจะดูความจริงใจของกิมหันนั่นเองแหละ กิมหันเนีมีจิตใจนีเลยฝ่ายดีต่อโจโฉหรอกมีได้ฟังอุยหล์เพื่อนกันมาพูดจาปากสังตัวเองเข้าเจนิดหมายว่าคนเองอจงรับท่านดีต่อโจโฉมากมายกระนั้นหรือกิมหันก็โกรธก็ลุกขึ้นระหวาดทีเดียวก็พอดีคนชายยกน้ำชาเข้ามากิมหันก็หยิบเอาป้ายน้ําชาน่ะเททิ้งแคแล้วก็พูดว่าจะให้กินเอาประโยชน์อันใดนะไม่ให้กินเลยโกรธมาก เป็นแขกมาเยือนถึงบ้านก็นตามเถอะมาพูดอย่างนี้นโกรธมากหาว่าจงรับพักดีต่อโจโฉนี่โกรวีหลงเห็นดังนั้นเพื่อให้แน่ใจขึ้นอีกกแกล้งันเป็นโกรธขึ้นมาบ้างทีเดียวแปลพูดซ้ําไปเลยทีเดียวว่าตัวเราคิดว่าท่านได้ดีขึ้นก็อุตสาหมายหน้ามาหาหวังจะฟาดเนื้อฟาดตัวแกท่านเสียไปแต่ยังไม่ทํำไรท่านมาดูมิน หลักหน้าเราเส้นเช่นนี้ทําให้ได้ความอภัปยศแก่คนใช้ของท่านอจิมหมนก็จีบว่าใช่เราจะไม่คิดถึงท่านนาหานี้ได้แต่เราน้อยใจด้วยท่านรู้อยู่ว่ากดโจโฉนันเป็นศัตรูว่าจะสมบัติควรที่มายกยอมันอันหนึ่งตัวท่านก็เป็นข่าพระเจ้าเหินเตะท่านไม่คิดสนองพระคุณพระเจ้าหินเตะปรากฏวัดซึ่งจะมาคอยตั้งใจคอยพึ่งบุญ โจโชนั้นน่ะเราหานับถือว่าท่านเป็นเพื่อนเราไหมนีม่ไงมีหลงกับเก่งจีเห็นกินหันผู้จ้าพาทีแสดงออกมาเช่นนั้นน่ะก็มั่นใจเลยที่เราว่ากินหันเนี่ยก็มีจิตใจมั่นคงกระตันอยู่ต่อพระเจ้าเฮียนเต้แน่นอนอยู่มีหลงก็จึงพูดว่าที่เราพาเก่งจีมานี้ก็หวังจะ ทวนท่านนี่แหละกำจัดโจโฉเสียเพื่อจะดุจได้ช่วยกันทะลุบำรุงแผ่นดินสุดไปครั้นจะบอกท่านแต่เบอร์จีนก็เกรงอยู่จึงต้องแกลงกล่าวเป็นอุบายหวังจะดูใจท่านทานนั้นแบบนี้เราก็เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วจหดับความโกรธนั้นเสดิดมีหลงเก้งจีว่าอย่างนี้ กินหันก็จริงว่าตัวระเบิดาของเราก็เป็นขั้นการต่อตอมาจนถึงตัวเราและเรานี่จะเป็นขบุไปเข้าเรือสัตว์ุ่แผ่นดิน น, นิหารนีได้ส่วนทานทั้งสองคิดจะกำจัดเหมันเช่นนั้นเราก็ยินดีด้วยแต่ท่านจะทำประการใดอ่ะจึงจะสำเร็จวีหลวงก็ตอบว่าเราก็คิดอยู่แต่จะกำจัดโจโฉเสีให้ได้ซึ่งจะทำคนอุบายนั้นน่ะ เรายังนี้เลยคิดสืบไปกินหันก็จริงว่าตัวเราเป็นเพื่อนกับองปิดก็จริงแต่จะไว้ใจอ ง, องปิดมันก็มิดด้เราคิดจะทำกลอุบายฆ่าองปิดซะก่อนแล้วก็ชิงเอาตราสำหรับพี่นั้นมาเพื่อจะไบังคับทหารสืบไปและเราจะแต่งหนังสือเป็นรับสาเรา เ, เปกับหยินเตดไปถึงยอดปี ให้ยกกองทัพมาตีเมืองเงียกุนที่โจโฉอยู่ขณะ น, นี้แล้วเราก็จะคุณทหารเป็นฝ่ายชิดตีขนาดออกไปก่อนจะจับตัวโจโฉได้โดยง่ายกิมหงเป็นผู้วางแผนให้ดังนั้นแล้วนี่ประเจรว่ดโจโฉก็มีศัตรูที่จะคิดล้มล้างทำลายอยู่ ตลอดเวลาก็เดเ็นสำคัญดังกล่าวมาแล้วะตั้งแต่สองสมตอนก่อนนะักว่าโจโฉกระทำการอย่างหนึ่งผิดถือกันว่าเป็นความผิดอย่างมหาศาลอยู่คือการยกตนเทียนท่านยกตนเท่าท่านยกตนสเสมอท่านหรือเหนือนนกว่าท่านนีแ่แหละที่โจโฉ ก, ก็ททำเนี่ยเป็นวีกลยังไม่พอ เต็มีอองก็ยังไม่พอสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่อยู่เลยถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ไม่หยุดตังโต๊ะก็กระทํามาแล้วเช่นเนี้ยสร้างเมืองใหม่ของตนอยู่เป็นมหาศาลเลยทีเดียวโจวโฉสร้างเงียบขุนเพียบทียมหูโตและเนื้อกว่าได้ซ้ํำไปอย่างนี้รบรรดาขุนนางกระจา ก, การราประธาโจ บ, บริเวืองทั้งหลายเนี่ยก็จึงให้ดีใจเกลียดชังอยู่ละ นี่บุคคนนั้นสามีร่วมคิดร่วมการกระดังนี้แล้วเนี่ยกินหันก็วางแผนให้อย่างนี้คือให้ข้าองติดผิดโจโฉส่งเข้ามาให้เป็นนายทหารใหญ่ในเมืองหูโตเนี่ยอุยหลงเป็นจี๋โดยฟังก็มีความยินดีนี่ถึงกับตบมืหอหัวเราะทีเดียวแล้วก็พูดว่าท่านคิดนี่ดีนะกินหันก็วางแผนต่อไปทีเดียวละวะเรา มีผู้หยิบสองคนคนทั้งสองนี้ก็มีใจเกลียดแค้นอยู่กัะ น, นั้นกด้วยโจโฉนะข่าบิดาและพี่น้องเขาเสียเราจะชวนคนทั้งสองมาร่วมคิดกันเ ก, ก๋งจีก็ถามว่าชื่อใดอ่ะติ๋มันก็บอกว่าคนพี่นั้นชื่อเกียร์เหมาคนน้องนั้นชื่อเกียร์บกเป็นบุตรของเกียร์เป็งหมอหลวงซึ่งโจโฉฆ่าเสีย พร้อมกับตางสินแต่ครั้งก่อนด้วยน่ะ น, นี่กินหันทีแกงความเป็นมาของบุกคนทั้งสองไม้ฟั ง, อ, งอ่ะอ้าวตางศินเยียรเป็นคิดฆ่าโจโฉแต่ครั้งยังดุนนะเกียรเป็งเป็นหมอหลวงเนี่ยผสมยาพิษยอย่างแรงแค่โจโฉกินโจโฉจับได้ฆ่าตายหมดนี่ลูกชายก็ต้องผูกแขนผูกขาขาดอยู่ละ ที่มหมนว่าฟังต่อไปว่าเกดเมาเกดบกมุกเกดเป็นหมอหลวงน่ะหนีนี่ไปอยู่นึมึงบัดนี้ได้เข้ามาซุ่นอยู่ที่บ้านเนาะแขวงมือกุ้งโตเนี่ยถ้าแม้นเราให้ไปชวนก็เห็นจะมาร่วมทาการด้วยเพราะว่าใจเกดเมาเกดบกสองพี่น้องนี้พยายามโจโฉเป็นที่ยิ่งอยู่ หลงเกงจีได้ฟังก็หงชอบด้วยทีเดียวกิมหันก็กําหนดวันใหอวีเหล็งเกงจีมาพร้อมกันและแค่คนใช่รีไปหาตัวเกียดเมาเก็ยบกเขามาพบแล้วมีเหล็งเกงจีก็มาพร้อมกันแล้วกิมหันก็บอกเนื้อความไใหฟังตามที่คิดไว้คือตามแผนที่จะทําลายร้างโจโฉจะต้องฆ่าอองปิดก่อนลนะ เกียร์เมาเกียรบกได้ฟังแผนการนี้เขาเนี่ก็ด้ความเจ็บแค้นโจโฉมากแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่ามิดาเราก็ตายเพระโจโฉพระเจ้าเย็นเตะองค์ประหม่อมกระสับได้รับความเดือดร้อนเราก็มีใจเจ็บแค้นอยู่แม้ท่านคิดดังนี้เราก็จะร่วมคิดด้วยแล้วก็สามานีดู ว, ว่าตัวเราพี่น้อง จะขอค่าจโจโฉเสียให้จงได้เพื่อจะได้แก้แค้นกินหันก็จริงว่าพันยววิตตกเลยเราจะช่วยคิดอ่านกำจัดไอ้สัตรูแผ่นดินผู้นี้ให้จงได้ทีเดียวว่าแล้วก็ให้สัญญาแก่กันละว่าเดือนสามขึ้นสิบห้าคำอันเป็นธรรมเนียมของชาวเมืองทั้งปวง ที่จะต้องมีการจุดโคม บ, บูชาจุดโคม บ, บูชาคุณนางทั้งปวงหญิงชายทั้งหลายก็จะมาเที่ยวเล่นกันในเวลากลางคืนอิงอิงเป็นการมหมอรศสศกตัวเราจะเข้าไปหาอองปิดแล้วเราจะคุมพักพวกไปอยู่ที่ริมจวนของอองปิดแล้ววีเล้งเกงจีนี่ก็จงคุณบ่าวไพ่สื่อสนิท ไปซุ่มซ่อนอยู่เป็นสองกล่องแสงเพลินที่เราจุดขึ้นแล้วท่านก็จงลอกจุดต่อต่อต่อกันไปแล้วคุณพักพวกปีกระไมาถึงจวนขององปิดและท่านจงตามราเข้าไปในวังเราจะเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเตขึ้นไปอยู่บนประสาทนาของเหลาเราจะศึกษากับขุนนางทั้งวงตามที่คิดไว้แล้วใส่เกียร์เมาเกียร์บกซึ่งอยู่นอกกำแพงนั้นจุดเพลินขึ้นเหมือนกัน แลกะกดเฉพาทัพวกตีเข้ามาให้ร้องประกาศแกทหารทั้งพวงว่าที่กระทําการครั้งนี้จะกําจัดศัตรูราชสมบัติเสียผู้ใดสัตวซื่อต่อแป่นดินเข้ามาช่วยกันและเราจะกราบทูมพระเจ้ากินเตะให้มีรับสั่งให้ประกาศแกราษฎ ร, รทั้งปวงให้เป็นใจทําการด้วยและจึงให้มีหนังสือรับสังไปให้หาเล่าปีให้ยกกองทัพเข้ามาเราจรึงจะยก จัโจโฉณเมีเยเุนการทั้งปวงของเรานี้ก็จะต้องกระทําเป็นการร็วแม้ละไว้เป็นการปีอันตรายจะมีแก่ตัวเราเหมือนต่างสิง mm. นมีวางแผนอย่างนี้เอาใครจะเลือถูกผิดดีชั่วประการใดอย่างไรอเอาเหมือบบุคคลนนี้ปึกษาเรีแลทั้งห้าคนเนี่ย ก็แทงโรหิตอามปนสุราสามานต่อกันต่างคนต่าง ก, กดดื่มสุราผี่ผสมโรหิตดื่มกันเข้าไปแล้วอีหลงเกงจีเ ก, ก, กียดเมาเกียดบก็ลากินหันกลับไปที่อยู่แต่อีหลงเกงจีนั้นจัดแจงเบาไพร่โดยนคนละ300สามร้อยเศษพร้อมรรด้วยครืศองตว์ราบุเตรียมไว้เ ก, กียดเมาเก็ยดบกชักชวนเพื่อนพ้องได้สามร้อยถือออมสําหรับนี้ ไปเที่ยวซุ่มอยู่ริมปา่าอยู่ที่ป่าริมเมืองทำเั็นหน่งว่าจะไปไล่เนื้อเพื่อนี้ให้คนภายนอกสงสัยแผนการใหญ่เพื่อจะล้มอำมาจโจโฉก็ได้เริ่มขึ้นบ้วกลุ่มบุคลทั้งห้านี้ฝ่ายกินหั่กินหั่นนี่เป็นพึ่นเกลือกปองปิกแต่ว่าความคิดเห็นแตกต่างกัน กินหันนี่คิดที่จะฆ่าองปิดซะก่อนและจะได้ดําเนินการล้มร้างโจโฉได้สําเร็จพอถึงวันขึ้นสิบสี่ค่ำกินหันก็เข้าไปหาองปิดก็คาํานับแล้วกินหันก็จึงว่าแกองปิดว่าทุกวันนี้บ้านเมืองก็เป็นสุขเพราะบุญพระเจ้าวี อ, องกินหันก็พูดอย่างนี้เพราะบุญของโจโฉ เพราะบุญพระเจ้าวีอ๋องปราบรามข้าศึสกุราบคาบพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าปีใหม่รัชดรเคยจุดโคมบูชาคุณมางรัชดรหญิงชายทั้งปวงก็เคยเล่นเป็นสุขสนุกมาแต่ก่อนก็ท่านจงเปล่าร้องอนาประชารัชดรให้เล่นตามทาเนียบบ้านเมืองเถอะมีกิมหันกบมาหาองคปิดถูกใจกแต่องปิดอย่างนี้เพราะว่าในตอนนี้องปิดอยู่ในตาแหน่งานาฐานะนายทหารใหญ่ แห่งเมือนหุโโ่นโถนี่ผู้มีอำนาจเป็นองตปิดก็เห็นชอบด้วยข่ายทหารปาวร้องในบรรดาชาวเมืองทั้งวงไห้ทาการตามประเพณีมันนั่งทุกๆปีมาครั้งรุ่งขึ้นวันขึ้นสิบห้าคำเวลากลางคืนชาวเมืองก็จุดโคมตามไฟรุ่งเรืองทุกบ้านทุกตำบลคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อราชดอน ายหญิงทั้งปวงก็เที่ยวเร่นโหร้องอิ้งอบางก็เร่งกระจับปีสีซอเป็นการมรสศพแน่นไปทั่วทั้งเมืองหลวงองปิดทังนายทหารใหญ่ผมมีอำนาจบังคับบัญชาทหารทั้งปวงทั้งะะคนครหลวงคือนมืฮูโตนีเห็นในนั้นก็มีความยินดีคอยแต่งโตเรียนทหารอยู่ในจวนอันเป็นที่อยู่ของท่านฝ่ายอิมหัง ก็คุมพรักพวกไปซุ่มอยู่ใกล้ประตูขั้นที่ตะ ว, วันออกมีหลวงเกงจีเกียดตเมาเกียรบกพาพรกพวกไปซุ่มอยู่ตามที่สัญญากันไว้ละครั้นเวลาสองอยามกิมหันก็จุดเพลินขึ้นเป็นหลายตำบลเหนีนยดเผามือหนวงขึ้นเลยทีเดียวละท่านคิดจะร่างอัมมาตโจโฉแต่ก็ต้องทําความวินาทีมากให้ ก, กับบ้านเมืองอย่างนี้เนี่ย เอาละจุดเพลิงขึ้นเลยทีเดววี่หลงเกงจีเห็น N, แสงเปลยก็จุดขึ้นม้าจุดต่ อ, ต, อต่อกันไปผู้คนแตกตื่นโคลมานบุคคลเหล่านี้ก็ไล่ค่าฟันผู้คนเรานั้นเป็นจุนไปเลยทีเดียวเกียจเมาเกียจบกสองบุกชายเกียจเป่งดูรับซึ่งอยู่นอกกำแพงอย่ใช่ไหมก็จุดเพลิงด้านนอกตปเข้ามาเป็นสองด้านแล้วก็ร้องประกาศแกทหารชาวเมืองทั้งปวงว่า เราจะกำจัดไอ้ศัตรูแผ่นดินผู้ใดจะเข้าด้วยให้เร่งมาทําการเลวยกันดีแต่คนามจิงขณะ น, นี้โจโฉนะี่ยอยู่ที่เมืองเงียบขุนมืองใเมืองหูโตนีตนะ่โจโฉไม่ได้อยู่โดยเขาคิดจะยึดอำนาจไปเนืองหูโตให้ได้ซะก่อนนั่นแหละฝ่ายองปิดนายทหารใหญ่ผู้รักษาพระนครตามแต่งตั้งของโจโฉที่แต่งตั้งมานี้ ชนิเพิ่มไม่ใกล่จวนอันเป็นที่อยู่แห่งตนกะตกใจเพนขึ้นม้าได้ยหนี้ออกจากจวนก็ไปพบพวกเกังจีเข้าก็ได้รบพุ่งยันไปนสามารถทีเดียวองปิดนั้นถูกเกาวทันและถูกอาวุธต่างๆตกจากหลังมา้าลงมาเพนขึ้นหลังมาอีกกดซ้ำถูกอาวุธอีกตกลงมาอีกเป็นอย่างนี้ถึงสี่ครั้งห้าครั้งองปิดเห็นเหลือกําลังนะัก ก็ขับมาหนีไปทางหน้าบา้านกิมหันซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันนะ่ะและก็ร้องเรียกกิมหันทีเดียวฝ่ายภรยากิมหันได้ยินดังนั้นก็สาคัญว่าเป็นกิมหันสามีมานะ่ะนึกว่าสามีก็วิ่งไปหวังจะเปิดประตูรับและก็ร้องถามว่าได้ศรีรษะองปิดมาหรือไม่นี่สิองปิดจะเข้าไปพึ่งบารมีกิมหัน รับได้ยินภรรยาของกินหันพูดอย่างเนี้ อ, องปิดเด็กฟังก็ตกใจทีเดียวก็รู้ได้ทันทีแล้วว่าเกิดเหตุทันนี้เพราะกิมหันคิดทําร้ายเรา อ, องปิดก็รีบขับมาหนีไปก็ไปพบกับโจฮิวคุ้มหามาประมาณพันหนึ่ง อ, องปิด ก, ก็บอกเรื่องความทั้งตัวให้โจฮิวทราบละโจฮิวเด็กฟังความก็พาถานรีบไปทีเดียวเห็นเพลิงติดก็มาถึงประตูวังเป็นหลายแห่ง แล้วก็ไม้ลูกรามก็ไปถึงประตูดินประสาทหงอของเหลาค่อยท้าเข้าไปช่วยกันดับเพลิงวุ่นวายอยู่ฝ่ายพระเจ้ายืนเต้นั่นนะ่ะเมื่อเพลินุไม้ขึ้นก็ลบปีกหนีเพลินอยู่ในพระราชวาังเสียงคนตั้งวงร้องประกาศกันอืออิงทั้งเมืองนนะ่ะว่าเราจะกำจัดผู้ศัต ร, รูแผ่นดินเชียจะบำรุงพระเจ้ายืนเตอให้อยู่เย็นเป็นสุขนีเขาก็ประกาศกันอย่างเนี้แต่ขณะนี้พระเจ้ายืนเตอนนะ่ะ หาความสุขนิดได้หรือแม้แต่น้อยตรงนี้เลยยุ่งวายอยู่ในพระราชวังเช่นั้นแหละและในขณะนั้นบรรดาพี่น้องและพระพวกโจโฉ ก, ก็คุมกันเป็นเล่าๆพวกพว ก, พวกตั้งกองรักษาประตูวังและทุกตมบลที่บุคคลเหล่านี้ก็ต้องรักษาพระเจ้าจินเต๋อเหมือนกันฝ่ายแห่หัตุน้นสิ่งโจโฉให้มาคอยอยู่นอกเมืองเนี่ยถือตานที่หวั่นหวาดอยู่แล้วว่าองค์ปิดนี่มักเซดสุราเมาและตามที่ควรรอทําไมว่าจะเกิดเพลงไหม้ขึ้นนี้ มือหโตเนี่ยโจโฉตึ้งหยี่ยวแห่หัวตุนขุนทนตาเดียวสิงตาเดียวขุนทนรวมแสเดิมมาคอยอยู่นอกเมืองเนี่ยแห่หัวตุ้นเนี่ยเพรเห็นแสงเพลิงในเมืองลุกเพลิงคือฉะนั้นก็ฐานกองมือป้องกันเมืองหูโตและฐานอีกกองเข้าไปดับเพลิงและเจอหิวนั้นเมื่อเห็นทาหารหัวตุ้นก็มาก็มีใจขับฐานของตนเข้ามันจบรวมกําลังกันช่วยกันดับเพลิงพวกของโจโฉ กับพวกที่เผาบ้านาเผาเมืองนั้นก็ข่าฟันกันล้มตายเป็นอันมากทีเดียวละคือ ท, ทั้งฝ่ายโจโฉและฝ่ายปฏิวัตินมะ่สู้รบกันล้มตายมากมายจนรุมเชา้าฝ่ายอุยหลงริงจมีมีพักพวกน้อยกว่าหาผู้ใดจะหนุนเนื่องช่วยเหลือก็มิได้ก็พอดีเมาคุนิงมาบอกว่าลาวฐานของโจโฉได้ฆ่ากิมหันเกียบเมาเกียบบก ทั้งสามคนนั้นตายเสแล้วอ่าอุ้ยหลงเกงจีสองคนนี้ก็ตกใจละก็าพาบ่าวไพร่ติดอยู่หรือฟ้าเพลินหนีออกไปถึงประตูตเมืองก็ไปพบกับแฮหัวตุนสิงตาเดียวเข้าให้แฮหัวตุนคุ้มฐานอยู่เป็นนั้นมาแฮหัวตุนเห็นประหลาดเช่นนั้นคือมีกองหนึ่งลุยเพลนินหนีมาเีาน่นี่ค่อยฐานเข้าไห่้ฆ่าฟันบ่าวไพ่อุ้ยหลงเกงจีใช่แต่ตัวอุ้ยหลงเกงจีนั้นแฮหัวตุ้น จับเป็นให้จงได้ทหารก็เข้าไปจับบุคคลทั้งสองนั้นจองจามั่นคงป แ, แล้วแถวตุนก็คนทหารเข้าไปในเมืองช่วยกันดับเลยในเมืองได้เรียบร้อยแล้วก็จึงให้เอาตัวอวีหลงเกงจีมาสอบถามได้ความแล้วว่าคนทั้งสองนี่แหละเป็นผู้คิดการที่จะล้มร้างอมาม่าโจโฉ เกไดกก่อการหุ่นวายขึ้นอย่นนี้ค่อยฐานไปจับครอบครัวพี่น้องอุหลงเก่งจีเกียดเมาเก็ดบกินหันมาจองจำไว้ทั้งสิ้นแหวบปุ่นค่อยมาใช้ถือหนังสือไปทูลความทั้งสิ้นนี้แกพระเจ้าวีอ๋องคือโจโ้ณที่เมืองเนียบปุ่นให้ได้ส่งสับโจโฉ เด็กแจงในหนังสือดังนั้นรู้ถึงความวุ่นวายในเมืองหลวงดังนั้นก็ここแต่งตาต่อไปเป็นใจความว่าให้แฮร์หตุน้นฆ่าวีหลงเกงจีกับพักพวกครอบครัวพี่น้องของไอ้เหล่าไร้ทั้งห้าคนนั้นเสียให้สิบแล้วให้แฮร์ัตุน้นเอาตัวบรรดาคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยในเมืองหุโ ต, โตมาเมือเงียบขุน เราจะพิจารณาเอง <Joan> พี่ว่าบุคคลทั้งห้าผู้คิดการลมรา้มล้างอำนาจโจโฉไม่ประสบความสาเร็จเลย ท, ทั้งทที่โจโฉไม่ต้องดำเนินการนี้เองอด้วยซ้ไปก็เห็นได้ว่ากำลังผู้ลงใจร่วมการกับโจโฉนี่พร้อมทุกประการเลยอ่ะ ทั้งทีฝ่าวางแผนนีใช้เพลินก่อควา ม, มวุ่นวายทั้งเมืองเลยอย่างนี้แต่ก็ไม่สำเร็จอารนังสือโจโฉมีมาให้แฮตุนจัดการแฮร์ริตุนได้แจกหนังสียของโจโฉแล้วเนี่ยก็เอาไอ้เหล่ารายซึ่งมีชื่อห้าคนนั้นก็มีมีเล็งอ่ามีเล็งเก่งจีอ่ากินหัเก็ดเมาเก็ด บ, บกแต่ความจริงสาคนนั้นตายไปแล้ว ก็มีอุ๋งเกงจีสองคนนี่แหละและพร้อมด้วยพระพวกครอบครัวไปฆ่าเสีสิ้นคือต่ก่อนนั้นเขาก็ต้องเป็นกันเช่นนี้ก็ต้องถอนราถอนโคนกันให้หมดละอัครูต้าราวร้านบุพระยาหวานเครือทั้งปวงถูกฆ่าหมดแล้วก็เอาตั ว, วหล๋งเกงจีมาเนี่ยจะฆ่าเสียอุงเกงจีนั้นนี่ไ้หยอดทอ ดาว่าโจโฉมิขปจนทหารลงดาบถึงแก่ความตายแหละนี่จะคำสั่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าให้เอาตัวบรรดาคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยในเมืองหูโตมังเมืองเงียบขุนเราจะพิจารณาเองนี่อีกประการหนึ่งแห่หัตุนก็จับเอาบรรดาุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่ในเมืองหูโตส่งไปเมืองเงียบขุนังสิ่โจโฉ แค่เอาตัวขุนนางเท่า น, นั้นแะละมายังท้องสนามขอ ง, งเมืองเงียบขุนนะมีความจีนีเหตุการณ์จะต้องห่างกันเป็นเดืนๆทีเดียวละการเดินทางอันนำเร า, นะรานักโทษเหล่านี้จากมืหงฮูโตไปสู่เมืองเงียบขนะุนน่ะก็ต้องใช้เวลากันเป็นอันนานเอาละแต่เขากล่าวสั้นๆอย่างเนี้ยพอส่งไปถึงโจโฉโจโฉก็เอาตัวขุนนางเหราเนี่ยมายังท้องสนามแล้วเอาธงแดงไปปักไว้ขัง เอาธงขาวไปปักไว้คันหนึ่งห่างกันประมาณสิบเส้นวิธีการของโจเมงเ ต, ต้ทันจะพิจรณาคดีนี้อย่างไรโจโวยปักธงแดงธงขาวห่างกันสิบเส้นและโจโยก็ว่าแกคุณนางทั้งตวงเหล่านั้นว่าคือคุณนางที่ถูกจับตัวมาทั้งหมดนี่เมื่อไอ้เหล่าร้ายห้าคนคบคิดกันเผาเมืองฮูโตขึ้นนั้น คุณนางผู้ใดซึ่งได้ไปช่วยดับเพลิงก็ให้ชวนกันไปอยู่ข้างธงแดงนุ่นผู้ซึ่งมิได้ไปช่วยดับเพลิงให้พากันไปอยู่ข้างธงขาวนุน่มนี่โจเิงเป้เขาใช้วิธีอย่างนี้คุณนางทั้งปูงได้ฟังโจโฉ ว, ว่าดังนั้นนี่ต่างคนต่างก็คิดอยู่แล้วก็คิดง่ายอ่ะมันไม่อยากอะไรนิดก็คิดว่าที่โจโฉทําดังนี้ ก็คือว่าหวังจะเอาโทษแกผู้ที่มิได้มาช่วยดับเพลิงสิถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้ไปช่วยดับเพลิงเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องโทษนะทุกคนนี่ก็คิดอย่างนี้มางก็พาการไปอยู่ข้างธงแดงเสียตั้งประมาณสามส่วนสี่ส่วนไปอยู่ที่ธงแดงแต่คุณมางซึ่งมีใจสัตว์ซื่ที่ไม่ได้มาช่วยดับเพลิงนะ้ โดยความสัดซื่อนี่ไม่ได้ไปดับก็ไม่ได้ก็ไม่ไปก็ไปอยู่ทงขาวนั่นแหละก็มีประมาณส่วนหนึ่งนี่โจโฉเห็นหนื่งนั้นเน่ยก็จริงว่ามันดาผู้ทิ่ไปช่วยดับเพลินนั้น น, นี่ได้ไปโดยสุจริตไปก็เพราะจะเข้าด้วยไอ้พวกขบศหวังจะมันจบกันมาทำร้ายเรานี่โจโชว่าอย่างนี้เลย และค่อยเอาตัวคุณนางทั้งสิ้นเรานี้ประมาณ300สามร้อยเศษซึ่งไปอยู่ข้างธงแดงแหละเอาตัวไปฆ่าเสียที่ริมฝั่งแม่น้ําเซียงโหนี่พวกเรานี้ถูกฆ่าไปและคุณนางซึ่งไปอยู่ข้างธงขาวนั้นโจโฉก็ว่าพวกเรานี้เป็นผู้มีใจซื่อสัตย์เมื่อมิดได้ไปดับโลงก็บอกว่ามิดได้ไปดับ มีใจซื่อสัตย์ชคนี้ให้มัำเน็จตามสมควรแล้วให้คงเป็นคุณนางกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมณเมืองฮูโตโจโฉเขาทำได้ไงๆ่ายอย่างนี้ใครจะว่าผิดว่าผู้ประการใดอย่างไรนี่เหตุการณ์นี่มันโดยประมาณกันว่าสองพันปีมาแล้ว เ, เขาจะสั่งการอย่างไรประการใดก็ได้ ในเมื่อเขามีอำนาจที่เขาจะทำได้เช่นนั้นละ่ะคำว่าพิจารณาถูกผิดละเอียดทีทวนไม่ละเอียดไม่ตีทวประการใดก็ตามเอเขาจาัด ก, การอย่างนั้นละ่ะตามความพอใจของเขาและในขณะนั้นก็มีหนังสือของโจฮิวบอกมาเป็นใจความว่าองปินายทหารใหญ่ผู้รักษาพระนคร น, นั้นต้องอาวุธบาดเจ็บหลายแหง่งแผลเกาทันนั้นกาเริบหนักขึ้น ได้ถึงแก่ความตายเสร็แล้วโจโฉได้แจ้งเดยมันก็มีใจสงสารอองปิดเดือเป็นเพื่อ น, นเก่าเพื่อนเกลอกันมาแต่ก่อนก็จึงให้เงินทองไปแต่งการศพองปิดฝังไว้ที่เมืองฮูโตโ ต, ตามสมควรแล้วก็แต่งหนังสือตั้งโจโหิวให้บังคับบัญชามายฐานทั้งปวงในเมืองฮูโตให้จงอ่าจงอิลเป็นมหาอุปราช หัวหินเป็นปหลัดอุปราชและขุนนางที่หาตัวไม่นั้นคือที่ถูกฆ่าตายไปแล้วเนี่ก็จัดแจงนายฐานผู้ใหญ่ผู้น้อยแต่งตั้งขึ้นแทนตามตำแหน่งรเรียบร้อยไปและโจโฉก็มาคิดทีเดียวว่าอวนหลอหมอวิเศษคนนี้นี่าำการทำมายเน้นยำนะ้ำะก็จินจัด ทองเงินสิ่งของให้แกกวนรอปูบังหนิดกวนรอก็คํานบแล้วก็ว่าตัวข้าพเจ้านี้รักแต่จะเที่ยวอยู่ตามถ่งแมกตามป่าตามเขาจะเอาเงินเอาทองไปนั้นก็หาต้องการไม่ขอท่านจงเอาไว้แจกะะแกะทักแกทหารท่านปวงเถิด เป็นเรื่องของเหตุการณ์ตามที่กวนรอทำนายไห่ครับหรือว่าบุคคลทั้งห้า น, นั้นคิดปฏิวัติจะล้มล้างอำนาจโจโฉแล้วก็ไม่สำเร็จเรื่องนี้กวนรอจากนั้นกวนรอก็ออกไปอยู่ตามป่าตามเขาตามอัธยาศัยตัวทีนี้จากการทำนายประการหนึ่งที่ว่าเสฉวนจะเข้าตีฮันตงฮันตงเนี่ย ได้ผหลววเป็นส่วนหนึ่งของฮูโตแล้วก็ถ้าเขตีแผ่นดินฮูโตนี่แหละคือตีแผ่นดินในปกครองของพระเจ้าวีอ๋องคือโจมิเตโชนะเมื่อตอนที่กูรอทาไมแล้วก็มีข่าวแจ้งมาว่าการณี้หลับปีได้ทรงเตียววิมาเชียวเขาประชิต ป, ปิดแดนทันตงมันน้ำมือหับป่าแล้วเนี่ยอันน้ำมือปลาเสเนี่ยข่านโจโฉเนี่ยก็ทรง โจหองไปเอาละ่ะฝ่ายโจหองเมื่อไปถึงเมืองหันตงก็จัดแจงแห้แว้เอียนกับเตียวขับอยู่รักษาด่านทางทุกตำบลไว้มั่นคงแล้วโจหองก็ยกกองทัพจะไปรบกับเตียวหุยมาเฉียวณเมืองปาเสหละครั้นมาถึงกลางทางก็พอรู้ว่าเตียวหุยให้มาเฉียว ยกล่วงเข้ามาถึงตำบแลแฮเปียมเข้าแล้วและขณะนั้นมาเฉียวก็ให้งอหลันงนิมเองคุ้มผันไปกระเวนก็ได้พบกับโจหองเขางอหลัง น, นี่ก็ะหั น, หน้าขอปรึกษากับนิมเองเลย ว, ว่าครั้งเราจะเข้ารบพุ่งหรือทหารเราก็น้อยนะจําจะกลับไปบอกมาเฉียวให้แจ้งก่อนจริงจะชอบนี่งอหลังว่าอย่างนี้ข้างนิมเองนั้นก็ว่า ถึงจะกลับไปเปล่าอย่างเนี้ยคือกลับไปเปล่าเปล่าอย่างเนี้ยมาเฉลียวจิโทษเราได้ก็อ้อนกองทัพโจอหองก็พุ่งยกมาถึงจำเรานํากำลังเข้าตีให้ทหารโจอรหองถอยกําลังลงก่อนเอาชายชนยะไว้เป็นเื้อต้นแล้วค่อยกลับไปรายงานดีกว่ามีนิ่มเองว่าอย่างนี้แล้วนิมเองก็ขับม้ารําทวนออกไปรองท้าทายโจอหองถึงหน้าค่ายทีเดียว ผู้หอมไดฟังก็โกรธละขับมารำทวนออกมารบกับยิมเองต่างฝ่ายต่างใช้ทวนเป็นอาวุธเดีกันทั้งคู่